เงยันติจะถึงสุกนติก็เลาะศีล ส, สีเลนะโภคสัมปทาจะถึงโภผสมบัติก็เราะศีล ส, สีเลนะนิโปเติงยันติจะถึงซึ่งความดักกิเลสตัณหาทั้งหลายก็เราะศีลปัสมาสีลังวิโสทะเยดังนั้นสาธุชนควรชำระศีลให้บริสุทธิ์สะอาด เมื่อเี้นบริสุทธิ์สะอาดแล้วสมาธิและปัญญาเอาไว้กดเีน้นบริสุทธิ์สะอาดดีเมื่อเรามีสติสังวรระวังตั้งใจอยู่ว่าจะละชั่วประพฤติดีทำใจให้บริสุทธิ์สะอาดสัรวมในศีลตาหูจมูกเล่นายและใจนี่เป็นทางเกิดแห่งความดีและความทั่ว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 นอนไม่ดีก็บนนอนผิดที่ก็บนเอาแต่นอนไม่หลับมันเปลี่ยนที่อันนั่นเดยกว่ามีกายหาเรื่องจะได้มีเจ็บมีใจรับรู้อารมณ์อะไรเอาก็หาเรื่องหาเรื่องจุกจิกให้กับตัวเองใครไม่มาปาอเรื่องก็ปอเรื่องในตัวเองนั่นแหละสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองไม่หยดุดหย่อนก็หาดสติสัมปชัญญะอย่างเดียวเท่านั้น เพศียไม่บริสุทธิ์สติสัมปชัญญะจึงฟัน่นเฟือนเพราะฉะนั้นเศียนี้จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องชำระให้บริสุทธิ์สะอาดตามขั้นตอนเมือ่อศียบริสุทธิ์สะอาดดีก็เปรียบเหมือนกายวาจาของเราเป็นพื้นที่ที่ปราบดีแล้วนอกจากจะปราบดีแล้ว ยางแตยางแสมน้ำแตโเตน้ำเติมปุ๋ยลงไปอีกปลูกฝังอะไรลงไปมันก็เจริญงอกงามดังนั้นก็จึงสมกับคำติระท่านเทวิว่าทบาทนี้จะได้แสดงธรรมมาเทศนาคํามอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ยาดโจมจงตั้ ง, งโสตรปาสาทองทำกายใจให้เป็นภาพนาทองรองรับแระธรรมเทศนา พระมีศีลบริสุทธิ์นั่นเองกายกับใจจึงกลายเป็นผ้าชนะทองคอยรองรับพระธรรมเทศนาพระธรรมเทศนาที่กล่าวกลงไปนั่นเปรียบเหมือนสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดดีแล้วถ้าผ้าชนะทองของท่านบริสุทธิ์สะอาดถูกขัดซอบให้สะอาดแล้วอะไรลงไปมันก็ยังสงรักษาความสะอาดและบริสุทธิ์เอาไว้ได้ไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามันสกปรก ล, ละ ของสะอาจสะอาดเข้าไปมันก็ปล่อยสกปรกไปหมดนี่แหละหลักการมันอยู่ที่ตรงนี้ <c oughs> ทีนี้ขอทำความเข้าใจกับบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกครั้งว่าการปฏิบัติสมาธิเนี่ย้ปัญหาต่างๆที่มาันยุ่งยุ่งทำให้เราเกิดสงสัยอยู่ไม่จุดจนก็คือวิธีการปฏิบัติสมาธิ วิธีการปฏิบัติสมาธิมีหลายแบบเฉพาะสมถ า, าวิธีอย่างเดียวมีถึงสี่สอย่างและนอกเหนือไปกว่านั้นก็ยังมีอยู่อีกแต่ในเฉพาะวิธีวิปัสสนานี่ก็มีมากมายหลักเกณฑ์ก็ยกเอาธาตุเอาขันเอาอาัตนะมาทิจรณาให้เห็นอนิจจงทุกขังอนัตตา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 ก็เราจะประสบปัญหาต่างๆอยู่เสมอว่าการปฏิบัติแบบนี้มันไม่ถูกอย่างนั้นมันจึงจะถูกในตราประไดที่เรายังขาดแจ้งยังเสียงกันอยู่จะเป็นใครก็ได้ถ้ า, าคำพูดนี้มันจะเป็นเหตุให้อาตมาต้องตกนรกก็จะขอเป็นลอยจมไปอาบน้ำในหม้อนรกให้มันสบายใจสักหน่อย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 สมาธิวิปัสสนานี่ก็ความจริงที่เรายอมรับก็คือว่าต้องทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้แล้วก็มีสติและเลิกรล้อยู่ในขณะจิตที่สัมผัสรู้อารมณ์นั้นๆใ น, น, นจุดมันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเลิกเสียงกันสติถ้าใครปฏิบัติแล้วสมาธิมันเซอเคิลที่ถูกต้องกันจริงๆ เราจะไปพบกันตรงที่สมาธิที่ประกอบด้วยองค์ฐานห้าองค์ฌานห้ามีวิตกวิจารปีเศษุเอกัตขตา น, นานแหละจุดนัดพบของเราอยู่ที่ตรงนั้นใครทำสมาธิที่ถูกต้องแล้วเรามีจุดนัดพบกันที่ตรงนั้น พาสมาธิเกิดขึ้นแล้วมีวิตกวิจารปีสิสุกเอกขตาจำหนดองฌานได้อย่างถูกต้องแน่นอนเข้าใจในหลักการทำสมาธิได้เป็นอย่างดีแล้วยุดเสียงกัน ท, นทันทีแต่ถ้าว่าสมาธิของท่านผู้ใดบริกรรมภาวนาแล้วสิวะสิวะสิวะสิวะเอาพอจิตสงบสว่างปลุลงไปนิดต่อยก็สิวะมาเดินคนโ้อยู่ต่อหน้า น้อมเอาพระสิวาเข้ามาประทับสมนั่นแหละมันจึงจะเสียงหมู่เพราะไปเอาผีมาเข้าในจิตในใจกลายเป็นศาสนาผีไปแล้วถ้าวัธนรมจตสมบเป็นสมาธิลงไปมีวิตกวิจารปสีสุขเอกัจคตานี่มันเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยสภาวะรู้ตื่นเบิกบานแจ่มใสเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นสมาธิ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 จะปฏิวัติตนไปสู่โูมจิตภูมธรรมจนกระทั่งถึงบรรลุพระนิพพานไปเองดังนั้นสาธุรชนทั้งหลายพึ่งทําความเข้าใจให้ดีว่าไม่มีใครจะมาช่วยดลบันดาลจิตของเราให้เป็นสมาธิไม่มีใครช่วยให้เราเกิดปัญญาในสมาธิไม่มีใครมาแบกมาหามมาปุงเราไปสู่พระนิพพาน แต่วิถีธจิตของเราซึ่งถูกอบรมให้เกิดคุณธรรมแห่งความเป็นพุทธะรู้ตื่นเบิดบานเป็นตัวปกติอยู่ตลอดเวลาศีลบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์คือปฏิบัติมุ่งตรงต่อพระนิพพานไม่ปฏิบัติเพื่อเห็นแก่อามติสินจ้างรางวัลปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงปฏิบัติเพื่อ ให้บรรลุคุณธรรมคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสร้างคุณธรรมที่ทำ ค, คนให้เป็นพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นในจิตในใจได้แล้วจิตของเราจะปฏิบัติตนไปสู่โูมจิตโูมธรรมเองโดยอัตโนมัติแต่อย่าลืมว่าศีลต้องเป็นหลักประกันความปลอดภัยเราฉะนั้นศีลจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่เราจะต้อง ทำให้บริสุทธิ์สะอาดรู้อยู่กับสิ่งนั้นนั้นในปัจจุบันโดพอเป็นอารมณ์จิตยปหนอปองหนอเป็นอารมณ์จิตสัมมาอรหังก็เป็นอารมณ์จิตเมื่อจิตมีอารมณ์ให้มีสติรู้อยู่ กับจิตในขนาดที่มีอารมณ์ในปัจจุบันนั้นเมื่อจิตของเราหาอารมณ์มาป้อนให้ตัวเองไม่เห็นเราจึงเอาคำว่าพุทโธเป็นตนมาป้อนให้กับจิตยกหนอคองหนอก็เป็นอารมณ์ที่เราเอามาป้อนให้จิตสัมมาอารหังก็เป็นอารมณ์ที่เราเอามาป้อนให้จิต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 บริกรรมภาวนาคือจิตนึกอยู่ในคำคำเดียวเช่นพุโตพุโตพุโตสัมมาลาหังสัมมาลาหังแล้วก็ยกเนอะองหนออันนี้เรียกว่าบริกรมภาวนานในถ้าหากว่าใครมีความคิดมีสติสัมปชัญญะพอมีพลังงานหน่อยกำหนดรู้จิตของตนเถิดอยู่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 เ่อมันว่างดูที่ความว่างตั้งใจดูมันไปอย่างนี้ถ้ามันเคล็ดเร็วขึ้นเอาดูวซีมันจะเคล็ดไปถึงไหนอันนี้ทางปฏิบัติสำหรับผู้พอมีสติสัมปชัญญะาบางังแต่ผู้มีสติจังอ่อนให้กำหนดบริกรรมภาวนาให้มากๆเขา้าถ้าใจภาวนาให้ได้สมาธิ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 จะพิจารณาอะไรมันก็ชัดก็จิตมีพลังงานและอีกอย่างหนึ่งสมาธิเป็นอุบายวิธีระงับนิวรธากามาฉันทะพยาบาทจินามิธะปุทธจกปุกุจวิจิกิจฐา ความใคร่เดใามความพยาบาทความฟุ้งซ่านลำคาญความลังเลสงสัยความง่วงเหงาหาแนอนถ้าสมาธิขัน้นสมาธะเติขึสนิ่งเหล่านี้มันจะหายไประงับไปยังเหลือแต่จิตที่มีเปี ต, ตมีความสุขมีความปลอดหลง เ, เป็นฉะนั้นเราจะกำหนดอารมณ์อะไรนิวร์ไม่ลบคูนเราก็สบาย แต่พิจารณาอะไรก็ปลอดสงเพราะนิวรณมันระ ง, งับไปแล้วจุดประสงค์ของการทำจิตให้มีสมาธิขั้นสมถะก็เพื่อระงับนิวรณ์ทำห้าประการนี้นิวรณ์่านี้มันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติถ้าขณะใดมันเกิดขึ้นมาแล้วปราบมันไม่อยู่ตอนนั้นทำสมาธินี่เอาดีไม่ได้ ล้มเหลวทันทีถ้าพลังของนิวรณ์ข้ามแรงที่เรียกว่านิวรณ์ก็เพราะมันเป็นนิวารณะคอยปิดกัน้นคุณงามความดีไม่ให้เกิดขึ้นพอตั้งใจจะเอาดีพัดมันจะแย่ทันทีทีแรกมันแย่น้อยๆก่อนนี่พอแย่ไปเราก็ตกกระดิกรู้สึกเสียวๆสีข้างมันจะเล่นงานใหญ่เลยทีนี้นั่น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 เอาดังนั้นต่อไปที่ขอให้ท่านทั้งหลายจงกาหนดอารมณ์กาหนดอารมณ์ภาวนาตามที่ตนเคยปฏิบัติมาแล้วอย่างไรแจะเปลี่ยนตามคำแนะนำของผู้พูดเพราะได้พูดแล้วว่าวิธีปฏิบัติยกน็อก่็ดีสามาหังก็ดีพุโทโธเป็นแต่เพียงวิธีการ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 เข้าใจกติไม่ต้องคุยกันก็ได้เพราะฉะนั้นอาสมาขอนัดนัดปฏิบัติทั้งหลายให้ไปพบกันที่ปฐมฌานคือสมาธิที่ประกอบด้วยคงคคือวิตกวิจารปีสิสุเกัคขจาร า, อาขอให้ทุกท่านจงพยายามเดินทางไปสู่สุดนี้ให้ได้ดูจิตของเรา ขะใดเรากำหนดรู้จิตของเราเราจะรู้ว่าจิตของเราว่ารู้ว่าจิตของเรามีอารมณ์รู้ว่ากายของเราจะมีปรากรดอยู่เมื่อกายยังมีปรากรดอยู่เวทนากัปรากฏดอยู่ สัญญาความทรงจำได้หมายรู้ก็ปราบด ย, ยู่สังขารความคิดตงแต่งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็มีอยู่วิญนญาณความรู้ระหว่างจิตอารมณ์สัมผัสกันก็ยังปราฏอยู่เดี่ยงจะกำหนดรู้จิตเจอความตั้งใจเท่านั้น ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจ ะ, จะรู้กายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่กลมในขณะจิตเดียวถ้ากำหนดตามแผนของมหาสติพัานพอกำหนดรู้จิตทัพกายปรากฏเราจะรู้ว่ากายมีอยู่ เวทนาตากฏเรารู้ว่าเวทนามีอยู่ความคิดรากฏเรารู้ว่าความคิดมีอยู่จิตมีอยู่อาธรรมคือนิวรรากฏความหงุดหิดบ้นบานลำพานซึ่งมันจะเกิดขึ้นมาเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติก็ยังตากรดอู่ ก็มีกายถ้าหาายหายไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามมาธรรมส่วนปรุงแต่งหายไปหมดยังแต่นามรู้ตื่นเบิกบานะาปจูได้จิตอย่างเดียวแผนของมหาสติปัสถาน เมื่อกำหนดรู้จิตกายเวทนาจิตและธรรมก็ยังตราบุดู่เมื่อกายหายไปเวทนาจิตธรรมหายไปหมดยังเหลือแต่อุเบกขาเวทนาสุขเวทนาหายทุกขเวทนาหาย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 สมาธิที่ประกอบด้วยองค์ก็คือวิตกวิจารปีสิสุเตกับขจารสังเกตดูให้เราจะไม่นึกถึงว่านี่โลกนี่นามก็ตามแต่เราตั้งใจกำหนดอารมณ์จิตโลกลงที่จิตเมื่อเรารู้สึกว่าโลกลากรู่ก็เป็นการกำหนดโลกเวทนาเกิดขึ้นโลก ก็เป็นการกําหนดเวทนาสัญญาในอดีตมันผุดขึ้นมาก็เป็นการกาหนดโล่สัญญาความเจ็บเมื่อนั้นปรงขึ้นในขณะเ จ, จิตนั้นก็เป็นการกาหนดโล่สังขารจิตสัมผัสโล่สิ่งใดเกิดความโล่ขึ้นก็เป็นการกาหนดโล่บิญยาณ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 สิใดที่เกิดขึ้นเพราะการสัมผัสทางกายจิตสามารถกาหนดรู้ได้เป็นอย่างร้อนเย็นเข้ามาป้อมป้อมกันแต่เข้ากนละจุดจิตสามารถกาหนดรู้ได้ว่าตรงนี้ร้อนตรงนี้เย็นเพราะว่าเรื่องของกายกับจิตเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันจนคร่องตัวจนทันนี้ตำนาน เลื่องของกายจิตไม่ได้ตั้งใจจะรู้แต่เขาก็รู้รู้เองโดยอัตโนมัติสบายไม่สบายสุ ข, สขเหลือจอนวุ่นวายหรือตอดตรงไม่ได้ตั้งใจจะรู้แต่จิตเขาจะรู้ก็บเขาเองสิ่งที่เรารู้เองเป็นเองนั่นแหละเรียกว่าธรรมชาติ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 แต่ว่าใครจะรู้จริงเห็นจริงในธรรมะของตนเองนั่นนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งหลักแหลกฎเกณฑ์ที่จะมากรมเราดัดแปลงธรรมะที่เรามีอยู่ให้มีสภาพดียิ่งขึ้นนั้นเราเรียนแบบมาจากพระพุทธเจ้าธรรมะส่วนนั้นจึงชื่อว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสรุปลงได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักคาสอน และส่วนปีกจ้อยออกไปนั้นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสังคมการเอเื้อเพื่อเผื่อแผ่การสงเคราะห์ซึ่งกันและกันการช่วยเหลือเชื้อจุนซึ่งกันและกันอันนี้เป็นหลักศีลธรรมประจําโลกแต่ไหนแต่ไรแล้วสงเคราะห์เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะเป็นอุบายวิธีการที่จะกล่อมเปลาปรับปรุง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 โลกนี้ก็เปรียบเหมือนเขาแสดงหนังแตะแสดงละครนั่นแหละแต่ละคนเกิดมาเป็นพระเอกนางเอกในตัวต่างคนก็ต่างแสดงละครไปตามบทบาทของตนต่อปล่ะมีแต่ถ้ามีศรัทธาปริยัติสติสมาธิปัญญาอันยิ่งตจนได้เอื้อซึ่งจนถึงก็เป็นอริยสตสุดเป็นอริสุดปัญญาเป็นอริยปัญดา เราไม่ต้องปุงไม่ต้องแต่งแล้วมันเป็นตัวเองโดยอัตโนมัติก็มันมีพลังเสกก้าเขาจะทำหน้าทีุ่กจาราและใสร้างตัดสินตามอาบายซึ่งสุดแท้แต่ศินธรรมาีิปัญญาอันเป็นสุนทรธรรมจะเหนงส่งจุดให้เปินไปได้ตามพลังของคุณงคามดีนั่นแล้วก็กลายเป็นธรรมช า, าริดาวรุสามารถกาหนด ปฏิเยธอนขาดทุนลงไปสัาเด็จอาหันก็เป็นยอดแห่งพลัมัตธิาและมีปฏิเสธตอนนี้านด้วยปภาแลนเสมอ